ผล牟นาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวอดีวันเสาร์นี้ไปตรงกรวันศาสตร์ที่เป็นประเพณีดิยมสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณก็น่าจะมาศึกษาเรื่องความเป็นมาของวันศาสตร์ไทยซึงจากการสังเกตมันก็น่าจะมีมาจากสาเหตุใจสามสาเหตุ คืสาเหตุเดิมก็คือลัที่ความเชื่อถือที่มีอยู่ดั้งเดิมในประเทศไทยเศประการอีกประการหนึ่งก็คือความเชื่อที่ติดมาจากคามภีร์ทางพระพุทธศาสนาอีกแนวหนึ่งก็คือประเพณีท้องถิ่นเราจะเห็นว่าวันศาสตร์มันก็มีวิธีการในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของท้องถิ่นในดินแดนส่วนนี้ถ้เรามองสันนิาโบราณจริงๆแล้วก็ดูประวัติศาสตร์การมาเผยแผ่รูปศาสนาของประโสนนาภูตระเนี่ยท่านมาปราบผีนะฮะขึ้นเกาะครั้งแรกก็มาปราบผีเลยแต่ก็แปลกธรรมเทศนาที่เทศเป็นเรื่องละเอียด เรื่องพรหมชาลัยสูตรเป็นธรรมะที่ค่อนข้างเทศยา ก, ก น, นะฮะต้องอธิบายเยอะแล้วควรจะใช้เวลานานด้วยแต่คนฟังธรรมะแล้วได้ปรรลุมรกคนก็ถือว่าเรื่องแปลกมันแค่แค่มาขัดแย้งอะไรกันชอบกุว่ามาถึงก็มาปราบผีตั้นเดียวก็รากสดที่ข้าวมากินคน โดยเฉพ่ะในใน ร, ราชวังไปกินราชกุ ม, ม, าาช ม, มารราชกุมารีในรา ช, ชวังพระโสนาระอุตรักษ์ขึ้นมาถึงคนก็นึกว่าเป็นเป็นพวกรักสดกแต่งตัวแปลกคนไม่เคยเห็นก็ล้อมกันจะจับพระท่านก็อธิบายชี้แจงให้ทราบพระท่านเป็นใครมาจากไหนมาเพื่ออะไรคนเหล่านั้นก็เล่าเรื่องรากสดมากินคน พเดระทั้งสองรับอาสาปราบให้แล้วก็ปราบได้คนก็ตื่นเต้นกันเป็นการใหญ่ก็มานับถือมาฟังเทศจากท่านแล้วก็บรรลุมากคนก็แสดงว่าพื้นฐานของคนในท้องถิ่นตรงนี้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่คงนับถือผีถือในเรื่องก็กเรียกว่าละที่นับถือผีสางเทวดา ประเพณีส่วนหนึ่งก็คงสืบเรื่องมาจากตรงนี้ทตนี้ส่วนที่สืบต่อมาจากพระพุทธศาสนานั้นเราประรบพระญาตเบร์ที่เป็นพระญาติพระเจ้าปิมพ์ิสารแต่ว่าเป็นตำนานที่ค่อนข้างย้อนหลังไปไกลพุทธประวัติตอนนี้เป็นตอนต้นๆพุทธสมัยหลังจากพระเจ้าสัสรุแล้วประมาณไม่ถึงเก้าเดือนนะครับประมาณแปดเดือน หลังจากโปรดพวกปุราในชดินสามคนพี่น้องคือท่านอุรุเวลากัสปะนาจีกัสปะขยากัสปะกัสปะนั้นเป็นชื่อโคตรโคตรกัสปะเนี่ยมันสืบสกุลใหญ่มากบวชอยู่ในศาสนาเยอะปุรานากัสปะเขาเรียกปุราในชดินนะชดินโบราณชดินรุ่นเก่า พระรุ่นหลังเวลาพูดถึงท้านรุ่นนี้ก็พูดว่าปุราณช ด, ดินมุขช ด, ดินมาแต่ก่อนรุขช ด, ดินรุ่นเก่าชื่อวรุเลากาสปะพระตั้งอาสมอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมคื่อนาทีกาสปะพระตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ําในแม่น้ำในรัญชารานั่นเองแต่ตรงนั้นไม่ได้เรียกว่าในรัญชารา ขยากรสปะก็ตั้งอาสมอยู่ที่ขยาศีศะประเทศพรเจ้าก็ไปโปรดจนบรรลุมคผลเป็นพระหานทั้งหมดแล้วเสด็จมา ah เปรื่องปาณิธานปาติญยาที่ให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารอันนี้มั็ย้อนย้อนประวัติศาสตร์อีกคือตอนที่เจ้าชายิทธาเสด็จออกผนวนวด กษัตริย จ, จาริกไปในที่ต่างๆเป็นนักบวชไปเร่ร่อนแล้วก็ไปลำพังพระองค์กษัตริยผ่านวังพระม่เจ้าพิมพิสานั่นทอดพระเนตรเห็นทางพระแกรก็เกิดเกิดตื่นเต้นว่านักบวชนี้ท่าทางสง่า ง, งามมาีลักษณะองค์อากล้าหารสวยงามสแสดงว่าจะต้องมีคุณลักษณะอะไรเด่นเป็นพิเศษ ก็ส่งคนให้ติดตามไปว่าท่านไปพักอยูที่ไหนปรากฏว่าท่านไปพักอยูที่ภูเขาชื่วปันดะวะที่ริมกรุงราชคสุดนั่นเองพระเจ้าพิมิสารก็เสด็จไปเฝ้าแต่เราเห็นว่าให้ความเคารพสูงมากทางทั้งที่ตอนตอนนั้นที่ยังเป็นนับกบวดธรรมดาไม่ได้เป็นองค์พรเจ้าเสด็จไปโดยยาน หกใต้บริเวณภูเขาปันนวะก็ลงจากหยานก็เดินโดยพระบาทกวเสียงรถจะลกลกวดวเข้าไปก็สนทนาการสอบถามกาันทราบความเป็นมากรุสุเสดายังหนุ่มยังแน่นนะยังไม่น่าจะบวชขอให้ศึกออกมาถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงกบินละพัดก็มาเป็นที่นี่จะแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งพระเจ้าพมิสานั้นครองสองแฝงนะฮะแฝนังคางกับแฝนมกฏ ซึ่งก็เป็นแคว้นที่หารกาแฟอุตรประเทศในปัจจุบันแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอมอ้อนวอนอยังไงขอร้องอยังไงก็ไม่ยอมจะขอบวชสวรรคหาโมกขธรรมก็ทำให้พระเจ้าพิมพิสารค่อนข้างมั่นพระไทยว่าคงคงได้เรื่องนะเพราะว่าพระไทยเด็ดเดี่ยวมากบอกถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเมื่อลงตัสินแล้วขอให้เสด็จมาโปรดด้วย ขอพอนเอาไวนะน้นะฮะพันพูะเจ้าก็มาเสด็จไปเพื่อเรื่องเปลื่องคำปฏิญญาที่ให้ไว้กับเป็เจ้าพิมพิสารไปประทับอยู่ที่ลัทธิวันหนังสือเราแปลว่าสวนตาลหนุ่มแต่ว่าในปัจจุบันนั้นนักพือศาสตร์ก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่ต้นไม่ใช่ตาลแต่เป็นป่าไม้ภผ่ภผ่ตันนะฮะ ไม่กลวงเหมือเมืองกับไม่ไผ่ป่านเราที่พวกแขกใช้ทําเป็นไม้ตะพดตีผู้ร้ายนะฮะได้ยินข่าวอินเดียแล้วก็พวกแขกถือไม้ยาวๆก็เรียกไม้ยัดก็เรียกว่าลัตชิแต่จริงมั น, มนปัจจุบันเรียกยัดชีนีิที่จริงมันแปลว่าไม้เทา้านะฮะก็แสดงคงมาจากรัตชินั่นเองพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ พ, พร้อมด้วยบริวานก็มาเข้าเฝ้าเป็นปัญหาใหญ่ เพราะว่ามากับอุรุเวลากระสปะซึ่งเป็นฤษีที่คนแถวนั้นเขาเคารพนับถืออยู่คนตั้งหลายมันคนตั้งเยอะน ะ, ะตั้งแสนสองมื่นคนก็ไม่รู้ใครเป็นศ า, ศาสดากันแนะ่แต่ชายพระพุทธเจ้าก็ยังหนุ่มหรือเกิดโุราณในชนดินก็แก่เอฟตัวนั่งทางล่างก็เกิดสงสัยข้องใจไม่แน่ใจนะฮะว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงอาการที่แตกต่างกันออกไป พระเจ้าจึงรับสั่งถามท่านอุรุเวลากษตรปะคือต้องการให้ท่านอุรุเวลากัสรปะแก้ข้อข้องใจของคนเหล่านั้นเสียเองเป็นใจความว่าดูก่อนกัสรปะเตอเป็นอาจารย์สั่งสอนดุสีผู้บำเพ็ญพรตผู้พายผอมด้วยการบำเพ็ญพรต ด, ดยการบูชาไฟเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงละไฟที่เคยบูชากข้ามาบวชในธรรมวินัย น, นี้ รู้เวลากาสะปะต้องการจะแสดงก็ใช้อิทธิปฏิหันนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะเห็นว่าตอนตอน้ตนๆพระเจ้ตตาต้องใช้อิทธิปฏิหันตั้งหลายครั้งใช้ตอนพระยะก็ใช้อิทธิปฏิหันตอนอุระอุเวลากาสะปะก็ใช้อิทธิปฏิหันตอนนี้ก็ใช้อีกเพราะว่าเรียว่าหน้าอ่อนนะี่ยหน้าอ่อนคนคนเขาไม่เชื่อคนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ รูเวกัสสะก็เหาะลอยขึ้นไปเบนอากาศคนมันเยอะนะให้ต้องการให้คนมันเห็นแล้วก็ลงมากราบแท่ประบาทพระพุทธเจ้าประกาศถึงโทษของการบูชาไฟและผลดีที่ออกเข้ามาบวชในธรรมินันนี้และประกาศตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นาศาสดาคนตั้งวงที่มาก็เกิด การยอมรับนำ้ำผึ้ศรัทธาเนี่ยพระเจ้าก็มีความพร้อมที่จะฟังเทศธรรมาเทศนาที่ทรงเทศในครั้งนั้นก็คืออนุปกิกขาอริยสัจสีเป็นธรรมะทีเทศบ่อยๆคือเทศเรื่องทานเรื่องศีลเทศกัชาวบ้านจะเทศแถวๆเนี้นะเทศเรื่องทานเรื่องศีลแล้วก็ผลทานศีลก็บังเกิดในสวรร์ถ้าจิตใจของคนมีความพร้อมผู้ฟังมากๆอย่างนั้นก็เทศได้สูงนะครับ ก็ทรงสอนโทษของกามโทษของวัตถุกามโทษของกิเลสกามทั้งหลายแล้วก็แสดงถึงอา น, นิสงส์ของการออกจากกามแล้วก็แสดงถึงหลักการปฏิบัติที่ทำให้ออกจากกาลมก็คือเรื่องอริยศาสตร์ทั้งสี่เขาเรียกเรียกอย่างหนึ่งว่าภูรานุสาสนีเป็นคำสอนที่สอดมากท่านทังหลายจะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายนั่นคือแก้ โ, กโรคปวดหลงอุทานศีล พวกนี้ก็แก้โลกแก้โกรธแล้วพอถึงระดับของอริยสัจรงแก้หลง ก, ก็จบแก้ได้ทั้งโรคโลกรธหลงนะฮะก็จบก็บรรลุมรรผลพระเจ้าพิมพิสารเองได้บรรลุโสดาปันทีผลเป็นพระโสดาบันถึงจะเทียบกันแล้วในสายตาของพระเรเจ้านะฮะดีกว่าสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิยังทาบาป ยังมีโอกาสตกนรกในพระโสด า, ดาบันนั้นท่านปิดประตูอาบายนะชีวิตของท่านไม่ทำบาปตายไปเกิดปั๊บก็เป็นประโสดาบันอยู่ในคันก็เป็นประโสดาบันอยู่ในคันออก็เรามาก็เป็นประโสดาบันตัวเองไม่รู้หรอกเธอเป็นลักษณะนิสัยไม่ทำบาปไม่มีกิเลสที่ท่านรับไปแล้วมันก็ละได้เด็ดขาด ตังโกกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านมีความสุขที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เป็นราชกุมารม า, มาท่านตั้งปณิธานไว้ตั้งความปรารถนานะฮะไว้ห้าประการในวันนี้ก็สำเร็จครบหมดแล้ก็หนึ่งขอให้ท่านได้รับราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองอังคามกค สองขอให้พระหันที่สัตรูดีสัตรูชอบดูปรุงเองสเสด็จมายัางแว่นแฟนของพระองค์ข้อนี้สำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าเราเราพบคนหลายคนพระเจ้ากับบิ น, นะทานานาทะบินยิกาเศษชีมีหลายท่านที่ติดตามข่าวการเกิดของพระพุทธเจ้าอยู่เราคอยการเกิดพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้ากับบิ น, นะเป็นพระมหากษัตริย์เสด็จชมพระนครพร้อมด้วยอมมา าบว่าพระพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นในโลกควบม้าไปเลยไม่ลาใครเลยสละราชสมบัติอำมมาศก็ต้องตามหมดครันก็แสดงว่ายุคสมัยที่คนตื่นคนตื่นตัวตื่นตื่นเต้นที่จะพบพระพุทธเจา้านาตบินิกาเศรษฐีก็เป็นเช่นนั้นก็มีมีคนเยอะที่รอคอยการเกิดพระพุทธเจา้า สแสดงว่าเราคอยคําทํานายนะฮะว่าคําทํานายก็คงทํานายกันต่อเนื่องแล้วก็คล้ายๆคือคุมคงจะบอกยุคเอาไว้ก็มีประวัติของพระสาวกเนี่ยแนรอคอยนี่มากก็รู้ข่าวพระเจ้าเกิดก็บางทีก็ตื่นเต้นตื่นเต้นจนสลบไปเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมิสารท่านก็ตั้งตั้งความปรารถนาอย่างนั้น แล้วขอให้ท่านได้นั่งใกล้พระอรหันต์โปร่งนั้นเราจะเห็นว่าข้อนี้ไม่น่าจําเป็นเท่าไหร่ห้าข้อเอามาตั้งเฉยเลยก็นั่งไกลหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้ยินแต่ขอให้นั่งใกล้ก็นั่งใกล้พระอรหันต์โปร่นั้นขอให้พระอรหันต์โปร่นั้นแสดงธรรมแก่ท่านแล้วขอท่านรู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์เหล่าครับวันการเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ชื่อว่ารู้ทั่วแล้ว ก็เรียกว่าเป็นศรัทธาเชื่อบ้านไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจติขาคนจะขู่ฆ่าให้ตายจะรังวันด้วยทรัพย์สินเงินทองมหาศาลยังไงก็ตามก็ไม่ยอมเปลี่ยนจากการคารพระถือพระรัตนตรัย mm hmm. ก็จากปีติประโมทนะ่ะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปในกรุงราชสุครึไปประทับอยู่ในป่า มีบริวารตั้งสองพันตั้งหนึ่งพังนะฮะพระกระจากระจายอยู่ตามป่าตามถ้าตามโพนไม้ตามกลางแจ้งแล้วก็เป็นห่วงกันะฮะเพราะว่าแถวนั้นก็ประมัดประมาณเดินน้เดินยี่ก็เลยได้ถวายให้พระเวรุวันเวรุวันนั้นเป็นเป็นสวนเป็นอุทยานหลวงแต่แบ่งเป็นสามสามส่วนใหญ่ สวนด้านในเป็นเขาเรียกว่าโมระนิวาปะเป็นสวนเลี้ยงนกอยู่กันนอกเขาเรียกว่าการันตการนิวปะเป็นที่ให้อาหารแก่กระแตมีเรือนหลวงมีสระน้ำมีอะไรต่ะรแล้วด้านข้างเขาเรียกสีตะวันเป็นที่ทิ้งศพเป็นป่าช้าผีดิบมีละที่ละที่หนึ่งที่เข้าตายแล้วก็ศพเป็นทิ้ง ก็เป็นอาหารของสัตว์เพราะงั้นพระในสมัยโบราณที่ไปชักผ้าบางมาสดกุลก็เข้าศกเอาผ้าจากศพในใ น, ในลัดที่นี่ ท, ที่ตายใหม่ๆนะฮะเข้าไปทิ้งเลยตลาดชีวิตร่างกายเป็นอาหารของสัตว์ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่เครือสานาปาซีสตานัสวัเตอร์ตลาดชีวิตร่างกายเป็นอาหารของสัตว์อีแรงเยอะเลย ก็ชำระทาความสะอาให้เรียบร้อยพอตกกลางคืนเนี่ยนะฮะหลังจากทำพิธีอะไรแต่เสร็จแล้วตกตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นพวกเปรตร่างกายพิกลพิการปรากฏโหยร้องโหยขวนแสดงอาการน่าสะตึงกลัวท่านตื่นสนุกตกประทัไทยมาก รุ่งเช้าก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รัตสั่งเล่าให้ฟังว่าพระเบเรศเนี่ยเป็นเป็นอดีตญาติของพระเจ้าพิมพิสารนานมากเยยอดอดีตน่าดูนะฮะถ้าถ้าเรานับพระพุทธเจ้ายี่สบแปดพระองค์ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินพระเจ้ายีิบปพระองค์ในสมัยพระพุทธเจ้าสรงพระนามมพุสะ ไกลมากยอดไปไกลมากพระพุเจ้านั้นเป็นเป็นพี่ของราชกุมารสามพระองค์ราชกุมารสามพระองค์นั้นทําความดีความชอบจนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจา้า แทนที่จะขอรางวัลอย่างอื่นก็ไม่ได้ขอขอเป็นจะภาพเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สามเดือนแต่ว่าตัวเองต้องการจะปฏิบัติในเข้มงวดเพราะว่าไปทำสงครามก็ฆ่าคนตายมันเยอะเหมือนกันตัวเองก็ขอบวชคล้ายๆคลยๆกับชีะขาวไม่ใช่บวชจริงบวชสามเดือนแล้วก็มอบหมายให้ ลูกน้องซึ่งเป็นขุนคลังเป็นนายเสมเียนที่จัดการเลี้ยงดูพระเอาเงินส่วนตัวของท่านเนะี่ยฮะเลี้ยงดูพระพร้อมโดยพวกท่านต่างหลายเด้ที่ในในกลุ่มคนที่เป็นเป็นพนัก ง, งานเนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันเลี้ยงดูพระนะฮนะบางคนก็เลี้ยงช้างก็กินกินที่ช้างก็เนี่ย เยหมามว่ายักยอดยักยอดทรัพสมบัติต่างค่าอาหารค่าอะไรแต่อะไรต่างๆตลอดถึงว่าอาหารที่ปรุงมาแล้วไปกินตะเองก่อนเอาไปลูกกินอะไรแต่อไรเนี่ย น, นะก็เดี๋ยววันหนึ่งก็ตั้งใจทำดีเพราะงั้นตรงตรงนี้มันมันมันมั น, ม น, มนึงกลายเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นสังสารวัตร ที่ที่เขาเรียกว่าปุเพกตะบุญยตาคือบุญที่ทําไว้ในการก่อนแต่เป็นบุเพสันนิวาสนะฮะคือทําร่วมกันมาในการก่อเพราะคนในยุคนั้นทั้งหมดเนี่ยที่แบ่งกันหลายกลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยมันก็หมุนวนอยู่ในสังสารวัตรตามกระแสะบุญกรรมของมตัวเองพระราชกุมารทั้งสามมาเกิดเป็นชจดินเจดินสามคนเนี่ยนะมาเกิดเป็นเจดินสามคนเนี่ย เวลาการศึกาหนทีการศึกขยะการศึกพร้อมด้วยบริวารชุดนี้ทั้งชุดเป็นนักบวชมาก่อนในสมัยพระปัจจาระพุระพุทธเจ้านะเป็นนักบวชมาก่อนชาตินี้เป็นนักบวชอีกละแสดงว่ามีความโน้มเอียงสร้างลักษณะนิสัยให้มีความพอใจยินดีในเพศของความเป็นนักบวชก็แสดงบวชแล้วบวชอีก ลักษณะตรงนี้ถ้าเรามองไปที่พระโพธิสัตว์เองก็จะเจ้าจะมีแนวนั้นนะครับเราเห็นว่าโพธิสัต์ตอนปลายเนี่ยตอนปลายในสุดมัายุในแต่ละชาติเนี่ยจะบวชส่วนมากเพรา ะ, ะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบา ร, รมีธรรมที่เก็บสะสรรมไว้ภายในใจคนดูเนี่ยจะมองเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจบางคนในสมัยนั้นผู้บวชแล้วคนผมเนี่เขาเรียกมุนระมุนระมุนร ะ, ะกะ ห, หัวโลดมันเรียกอะ ห, หัวโลดนี่ยนะที่แปลแปลจริง ก, ร ก, ก็เรียกหัวโลดเดิมก็เรียกหัวโลด เราถือ เ, Banana. เป็เด็จยังไรเขาใช้กับนักโทษที่ทำความผิดมากๆโกนหัวโกนหัวประจานเสียบดอกชบาสีแดงนะประจานแล้วพระเจ้าไปเรียกปรเภทตัว น, นี้สิงส่งๆๆๆที่จริงเสี่ยงมากหรือถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์แล้วพระเจ้าพระเจ้าเสี่ยงมากมเรียกว่าท้าทายกระแสะโลกเลยมีเรื่องเยอะที่เป็นปัญหาตามขังคมจิตวิทยา แต่ก็ทรงกล้านะฮะสงกล้าเลือกอาเพศตรงนี้ผู้นี้ได้บุญกุศลที่สะสมมาไว้มันก็สร้างลักษณะนิสยัยอัธยาศัยให้มีความโน้มเอียงมาในทางศาสนาผ่านพระชาติมาโดยการบวชส่วนพวกพนัก ง, งานที่มีนายเสมียนเป็นหัวหน้านะฮะที่เสมียนเป็นหัวหน้าที่ขุนขุลังนะเะาเรียกขุนคลังนะแล้วก็ตั้งใจทําดี ตั้งใจปฏิบัติงานดีเพราะว่ามีค่าจ้างมีรางวัลไม่ไปยักยอกไอ้ส่วนที่เขาจัดถวายพระก็รักเฉพาะส่วนที่เป็นของตัวเอง mm hmm. เป็นเลสเตเดนมันก็อีกเรื่องหนึงพวกนี้ก็คือก็คือกลุ่มคนสิบสองหน้าหุตีว่าอสองหน้หุตที่บริบาลพระเจ้าพิมพิสานพระเจ้าพิมพิสารก็คือนายเสมียนคนนั้นทีนี้พวกญาติส่วนหนึ่งนะฮะญาติส่วนหนึ่งที่ที่ที่ไปยักยอกเนี่ย ตรนี้ก็ตายเป็นเปรตแต่ไปเราเราศึกษาประวัติเปรตพวกนี้ค่อนข้างแปลกนะฮะเราคอยผลบุญมันนานไม่มีใครกรวดนะ้ําอที่กุศลลงไปบาทีผ่านพุทธันดรนะฮะผ่านพุทธันดรหมายความาว่าพระุทธเจ้าบางเกิดขึ้นก็ไปแสดงตัวกราบคุณถามพุทธเจ้าโรงนั้นก็พยากรณ์ว่าต้องรอ ก, ก่อนเพราะว่า เธอจะได้การช่วยเหลือจากญาติของเธอซึ่งจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็รอมาความว่ารอผ่านเป็นพุทธันตร์ก็าบาปกรรมที่จริงมันสะสมใช้เวลาสามเดือนทำนะคงจะทำอะไรเอาเยอะๆกว่าสมควรกลายเป็นบาปเป็นปเปรตพระเจ้าก็มาสรุปว่าผู้เปรตเหล่านั้นเอเวนี้มารอ รอผลบุญจากท่านทั้งหลายจากพระเจ้าปิมิสานมาอยู่ในสถานที่ต่างๆตามทางสีแดงตามฝาเรือนตามบันไดตามอะไรแตไรเนี่ยฮะมาอยู่ในที่ต่างๆเยอะแยะพระสูตรนเล่ามาตลอดเพรางนี้แนวความเชื่อตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเราเชื่อว่าอะไรล่ะพยาลมปล่อยพยาลมปล่อยพวกดันมาสู่โลกมนุษย์เจ็ดวัน จ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างนะแล้วแต่ความเชื่อในท้องถิ่นที่ไหนก็เกิดเป็นลัชที่ที่มีการเส้นสวงเปรตเอาอาหารไปวางไว้ในสถานที่ต่างๆก็เส้นเปรตจะให้เปรตเหล่านั้นกินตรงนี้ผู้เช่าไม่ได้ว่านนะฮะคือเราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นประเพณีเดิมประเพณีเดิมที่บูชาผีสางซึ่งอยู่ในอยู่มาก่อนอยู่มาก่อนในถิ่นตรงเนี้ย พอนพูดศาสนามาผสมเข้าเรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงนะฮะเรื่องพระเจ้าทรงทรงแสดงมันที่จริงมันเฉพาะกรณีเฉพาะกรณีพวกยากเขาไมเจ้าปิดปิสารไม่ใช่ษษกรณีตัวทั่วไปพวกนี้ที่จริงก็เรียกว่าเป็นเศษวิบากกรรมที่เหลือนิดเดียวแล้วนะะก็ได้อนุโมทนาบุญกุศลซะหน่อยมันก็มันก็หมดบาปแล้วประมานานนคึคือนะกา ร, รต้งหมดมันจะเป็นโหสิกรรม ในสถานที่ต่างๆจึงมีการเส้นเปรดมีเพิงไว้มีที่สูงสูงนำไปเส้นเปรดแล้วก็น่าสังเกตว่าเที่ยวจิงโจงเนี่ยมีที่นครสีธรรมราชภาคใต้สิบสี่จังหวัดที่เด่นมากก็คือที่ที่นครสีธรรมราชแล้วไม่ใช่ทุกอาเภอ น, นะฮะไอ้ทุกอเาเภอก็ทำให้เราเห็นว่าตรงนี้มันนั่นน่าจะมาผสมผสานกับธรรมเนียมของหลังกาด้วยนะมึ น่าจะมาจากงารลังกาด้วยนะฮะคือ พ, พิธีการเส้นสวงทำเป็นเป็นรูปร่างอะไรต่ออะไรนะรทําเป็นรูปเปรตต่างต่งางวันแนวลังกาเขาจะทําเป็นรูปร่างอย่างนี้นีน่คือการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ต่อตอกันมาเรื่อยๆก็ทําให้กลายเป็นประเพณีประเพณีเรื่องาศาสตร์เปรตนั้นท่านท่านแสดงไว้ถึงสิบสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่รับเป็นอาหารจริงๆนั้นคือกลุ่มเดียวนะฮะก็เรียกกลุ่มปราตถูพชีวีเปรตเปรตที่จะได้รับอาหารจากการอุชิตของญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วไม่ได้หมายความว่ากินนะนะฮะหมายความว่ามันเกิดเป็นอายุวนะนะสุ ข, ขะคือเกิดเกิดเกิดกำลังเรียวแรงขึ้นมาเกิดกำลังรียลแรงขึ้นมาคล้ายๆกัได้กิน แต่ว่าต้องอนุมโมนธนาทีนี้บางทีจากจากการสังเกตว่าเราไม่พบหลักฐานในระดับบาลีหรืออัตรกฐานนะฮะว่าที่อุทิศกุศลไปให้แล้วได้เลยโดยตัวเองไม่รู้มันออกมาเป็นลูกของพละคือลูกลูกกำลังนะฮะแต่มาก็มีคนคนเล่าสองรายหลายปีมาแล้วนานมาแล้วนะฮะ คนเรือแตกไปขึ้นที่ฝั่งยวนไปอยู่ที่เมืองยวนตั้งปีใครกันึกว่าแกตายแล้วนะฮะแต่แล้วแกกลับมาถามารอดตายมาได้ยังไงแกบอกว่าตอนที่ลอยคออยู่ในเกาะไม้กระดานนะลอยคออยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเพราะตอนเที่ยงวันทุกวันในแรงมันกลับมีเรียบแรงเหมือนปกติมันสามารถประคองตัวไปได้ อาจจะอ่อนเปี้ยพีแรงไปเรื่อยๆกลางดึกกลางดื่นนะฮะแต่พอถึงเทีย่ยงวันแล้วจะกลับเหมือนเดิมอีกรายหนึ่ก็ตอนศูนหานี่เองศูนหานี่เองคนที่แหลมตดลุมพุกนะฮะไม่ใช่คนคนคนคนที่ปากพยูนปากพยูนปากปากพยิงปากพยิงไม่ใช่ปากพยูนอันนี้เรือแตกเหมือนกันแล้วลอยไปขึ้นที่สงขลาเนี่ยสงขลา จะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันคือตอนเที่ยงวันแล้วจะมีเรี่ยวแรงมีกำลังขึ้นแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรมาดันเอาไว้นะฮะดันเอาไว้ไม่ไม่จมน้ำมันแค่แค่นอนบนอะไรสักอย่างก็ทำไปจะไปขึ้นที่ใจหาที่สมคาได้พอตรวจสอบเวลาปรากฏว่าในแต่และเที่ยงวันเนี่ยนะถ้าท่านหลายลองสังเกตว่า ง, งานเราทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยนะฮะ ยถาบริวหาเนี่พระวัตุเตลงตรงกับแป้งเลยนาคาเที่ยงวันตรงเลยนะฮะถ้าเริ่มประเคนพระตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็พระกระชันไปก็กว่าจะเสร็จเรียบเรียบร้อยยถาบริวหาเสร็จแล้วมาลงพวัตุเตนเขาเขาก็เที่ยงวันพอดีเสียงยิงปืนเวลาเทศกาลต่างๆก็เหมือนกันนะฮะก็ะยิงยิงตอนตอนเที่ยงวันนะ พื้ใหญ่ดังพระก็พันดูเตนี่ก็ปังเลยนะขึ้นนะเพราะงั้นเวลามันตรงตัวแสดงว่าการอุทิปกุศลตรงนี้ที่จริงคนทั้งสองคนนั้นไม่แดนโมทนาเดีย๋ยวมันเกิดเป็นกําลังกเกิดเป็นกำลังเคลื่อนมาก็ทําให้ก็แสดงว่าการอุทิปกุศลส่งไปให้ไม่ได้หมายถึงคนที่ตายอย่างเดียวนะฮะแต่หมายถึงคนเราอื่นก็ได้ที่อนุโมทนาในแนวที่เราโมทนาบุญทั้งหลายที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ พระเจ้าพิมิสานก็ต้องการที่จะอุทิศกุศลส่งไปให้ก่พวกญาติก็กราบทูลถามแล้วุทธเจ้าว่าจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าก็ถวายอาหารถวายอาหารแก่พระตันก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงค์พระอาหารหันต์ล้วนนะฮะพระอาหารพวกพวกผู้ช้ดินนั่นแหละก็ตกลงว่าพันกันหนึ่งรูป เป็นสวยพัตตาหาแต่ดระพุทเจ้าก็ส่งอนุโมทนาเปรตนั้นก็ดีใจอนุโมทนาแต่ว่ามันไม่ได้ถวายไม่ได้ถวายผ้านะเพราะปรากฏกายเนี่ยปรากฏเป็นคนสวยงามปเป็นเทพูดเทพธิดาแต่ไม่มีผ้าไม่ีผ้านุ่งภาพมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ก็น่าเกลียดนะคือคือไม่หนุ่ม ผ, มผ้าพระเจ้าพิมิสารก็มากราบทูลถามพระพุทธเจา้าว่าจะทำยังไง พูะเจ้าบอกว่าต้องถวายผ้าถวายผ้าก็คงไม่ถวายผ้าเกเรดทุกตัวนะฮะหมายความมาถวายผ้าปื๋ยเดี๋ยวเมื่อเกิดเป็นผ้าทิปขึ้นมาก็เป็นทิะยะพยาอพอที่มาสวมใส่ร่างกายของคนเ่านั้นเป็นผ้าที่สะเบ็ดด้วยบุญตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นอิทธิปฏิหารเป็นก็ เ, เรียกว่าเป็นกรรมมวิปากะวิสัย นะเป็นวิสัยของบุญเราเพราะว่าตอนต้นๆเนี่ยตอนต้นๆพระอรหันต์ที่ท่านบวชไม่ได้มีใครตัดจัดใจจีวรถวายนะเพราะพอพระพุทธเจ้ารับสั่งปับ๊บเนี่ยภาพเป็นรปรเภทมันเปลี่ยนนั่นคือเกิดจากบุญยริศแต่ว่ามีข้อแม้ว่าท่านเหล่านี้ต้องเคยถวายผ้ามาเคยถวายผ้าใจจีวรผ้าสบงผ้า จ, จีวร อ, อะไรต่อะไรก็ตามในชาติก่อนๆเนี่ย ถ้ามาอย่างนั้นพระเจ้าจะไม่รับสั่งจะรับสั่งให้ไปหาผ้ามาพระเจ้าจะดูก่อนว่าคนนี้มีผ้าไหมมีบุญไหมบุญที่จะเกิดเป็นผ้าผ้าทิพย์ขึ้นมาได้ไหมถ้าเกิดได้ก็จะรับสั่งถ้าเกิดไม่ได้จะไม่รับสั่งเพราะงั้นจึงมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระพรายะทรุจิรยะเป็นคนยุคต้นเหมือนกันแล้วก็พระเจ้าเทศปั๊บในบนรรลุอรหรัตปุ๊บเลยนะเก่งมาก แต่ไม่ได้รับสั่งให้ไปหาผ้าใจจีวรมาก่อนเพราะคนนี้อย่างอื่นดีหมดอะเตียนิ่เดียวขี้เหนียวในภพชาติต่างๆไม่สมเพราะใครไม่ช่วยเหลือใครไม่ให้อะไรแกใครขี้เหนียวอย่างอื่นดีนะฮะพูงบรญยาดีอะไรแต่ไรดีแต่ว่าด้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะงั้นกรับสั่งให้ไปหาผ้าก็ขนาดที่เดียวที่หาผ้าเนี่ยมันก็เกิดวิบากกรรมเข้ามาแทรก มีโคซึ่งถูกยกักยีสิงโคผีสิงพวกแงาโคผีสิงเอวิดท่านตายว่าฟารหานันก็ออยังหนีวิบากกรรมไม่ได้นะฮะถ้ากรรมในอดีตเพราะแนวที่เรียกว่าเป็นทิพยพอภรเป็น้าชิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เนี่ยเปรดที่หมดกรรม หมดบาปนะพูดถูกพูดง่ว่าหมดบาปที่เป็นเหตุต้องเกิดเป็นเปรตแล้วกับคนที่มีบุญซึ่งทำไว้ในการก่อนไม่ใช่เกิดไม่จะเกิดได้แก่คนทั่วไปพระเจ้าจึงจึงตัดบวชแล้วก็ผ้าทิบเกิดขึ้นเนี่ยมีไม่กี่ชุดอะชุดหลังไม่ได้สัตวะไม่มีไม่มีคนที่มีบุญขนาดนั้นทีนี้การการการที่ทรงแสดงว่าพวกเปรต เปรตนั้นท่านเรียกว่าเปตต์โลกคือโลกของเปรตเป็นอบายภูมิสี่นะเป็นอบายภูมิสี่ที่สรงแสดงนิรยะนรกคือสักนรกดราชานโยนิกำเนิดดิราชานอิตธิวิศยะภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายเปรตนั้นบางชนิดจะอยู่ในโลกมนุษย์บางชนิดนะฮะไมยทุกชนิดอยู่ในโลกมนุษย์ สุรกายบางชนิดอยู่ในโลกมนุษย์แต่นรกไม่ได้มีในโลกมนุษย์นรกเป็นอีกโลกหนะึ่งแล้วก็สัรษษารที่ได้สารนะเราจะเห็นว่าก็อยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าโลกอื่นก็มีนะฮะเปรตก็เหมือนกันเปรตอุรกายโลกอื่นก็มีแต่ส่วนหนึ่งนี่มีในโลกมนุษย์เพราะเราเคยพบหลักฐานนะต่้าตาเยอะที่ว่าอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ย เปตวัตถุเนี่ยเราเราเราพบว่าเปรตทั้งหลายในเปตวัตถุส่วนมากอยู่ในโลกมนุษย์พระพุทธเจ้าพระหันท่านไปพบแล้วท่านนำมาเล่าแล้วก็ย้อนอดีตปุปกรรมของคนตอนนั้ น, นาทาบาปทากรรมอะไรเอาไว้แล้วส่วนส่วนใหญ่ที่อย่างเคยนำมาเล่าไปฟังนะฮะท่านจะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นระดับศีลธรรมจัญญาธรรมดาธรรมดา ทำบาปกรรมธรรมดาแถวๆเนี่ยแถวๆปีศรีนหน้าเนี่ยนะแถวๆเนี่ยมัวๆอยู่แถวๆเนี่ยแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเพราะเปรตเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นเปรตที่สิ้นกรรมเราจึงมีประเพณีทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เปรตแนแๆวชี่เป็นอาหารเป็นหลักนะฮะท่านท่านทั้งหลายหล่อนสังเกตเราเป็นอาหารเป็นหลัก ทีนี้เนื่องนื่อจากมีการอธิบายเปรตไว้หลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องจะมีอาหารหลายๆลชนิดอาหารบางอย่างนั้นทําเน้นไปในทางอาหารอย่างพวกขนมลาเนี่ยฮะเน้นไปทางอาหารด้วยทางเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าเปรตบางชนิดนั้นมีปากทะลุเข็มมีท้องทะภูเขาอาหารชิดนใหญ่ก็กินไม่ได้คือคือคือมองด้วยด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะฮะ อันนี้หลักๆเหล่านี้ที่จริงไม่มีระดับวันรีเป็นความเชื่อถือเป็นความเชื่อถือเป็นความคิดแล้วขนุมก็มีชื่อต่างๆแล้วก็ค่อนข้างไปทางบางอย่างก็คล้ายๆก็มีศีลบนให้พวกโยมมาบานอยู่ด้วยต้องการจะฝากฝังสั่งเสียของฝากของฝันให้กัพวกโยมมาบานเพื่อจะไม่ให้เบียดเบียนอปู้ญาติใหญ่ตัวจรงการบุญที่กุศล ส, ส่วนนี้ท่านสรุปรวมนะสรุปรวมเรียกว่าบุญญาณิทิ เราส่งแสดงไว้ในติโรตะการในสูตรสูตรที่ค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่าบรรยายสภาพของเปรตที่มาปรากฏในสถานที่ต่างๆแล้วทรงแสดงถึงผลถึงผลที่เกิดขึ้นจากการทำแล้วก็ส่งใช้คาว่าบุญญานิธิคําว่าบุญญาณิธินั้นหมายความว่าทําความดีกับใครก็ได้นะะตั้งแต่ที่ครอบครัวนะฮะตั้งแต่ที่ครอบครัว อพ่อแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวอะไรอะไรองศาขนาญติว่ามาเรื่อยๆนะฮะว่ามาเรื่อยๆจนถึงกระทาในสมณะพราหมณ์ทำในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทำในทักกิณในยบุคคลทั้งหลายว่าเรื่อยนะฮะว่าว่ามาเรื่อยสิ่งนั้นสรุปรวมมาเป็นบุญญาณิทิปเป็นการเก็บการสะสมบุญเอาไว้ และบุญแนวเปรตเรื่องนี้นะะท่านท่านตัางหลายเห็นว่ามันไปสอดรับกับพุทธภาสิตที่ทรงแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นแก่แก่คนคนนั้นนะนะแก่คนคนนั้นที่ทรงแสดงว่าการให้ข้าวน้ําเป็นการให้กํำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพัรร์คนเกิดมาบางคนผิวพรรณสวยงาบนะแก่ คนบางคนเกิดมาแล้วอุดมสมบูรณ์แม่แต่เป็นพระนี่ร่ำรวยอาหารบินบบาตได้เยอะเลยเป็เรื่องแปลกนะฮะเรื่องแปลกที่วัดเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนนั้นศึกไปแล้วเราก็ตายไปแล้วบางคนก็ทึ่งกันใงวัดเนี่ยบินบบาตได้จริงๆริเนเรแปลกจริงๆได้เยอะบินบบาตเนี่ยเอามาเป็นกะละมังกะละมังเลยนะคนอยากตักคนก็แห่มาตัดแผลกันบินาบำบัดได้เยอะ นี้ก็เป็นผลจากการให้ทานให้ข้าวน้ำคนอื่นมาก่อนเป็นรูปเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาครับการให้ผ้าเป็นการให้ผิวพันการให้ยานผานะเป็นการให้ความสุขหมายความว่าเราเคยให้ยานผานะแก่คนอื่นมาทำให้ชีวิตเราในปัจจุบันก็อยู่เย็นเป็นสุขได้การให้ประชีพที่ว่าให้แสงสว่างให้ดวงตา นะแล้วก็ อ, อย่างที่ท่านเล่าถึงประวัติพระพาคูละที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเกิดมาอายุร้อยเท่าไหร่ล่ะร้อยหกสิบปีแก่ที่สุดแต่นะแก่ที่สุดบรรดาพระในยุคพุทธสมัยตอนท่านบวชอายุแปดสิบปีละยังแข็งแรงนะฮะแข็งแรงเพราะเปบวชอยู่แปดสิบปีนะอยู่แปดสิบปีนิพพานหลังพระงพ่อเจ้านนะิพพานมาตั้งเยอะไม่เคยป่วยเลย เป็นพระที่ไม่เคยป่วยเลยเพราะว่าอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการถวายยามหรือให้ยาเป็นทานนะฮะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยแก่พระสงค์แก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาการให้ไปที่ที่วให้แสงสว่างและในตอนสุดท้ายที่มาสรุปรวมว่าโสจัสบาระโดโหติโยนาติปสยยัสสัญ คุณใดให้ที่อยู่อาศัยให้เสนาสนทาเานะี่ชื่อว่าให้ทุกอย่างอันนี้คือคือถ้าเรามองที่ไปที่มาถึงคตินิยมแล้วนะฮะคตินิยมของชาวบานะ้านของชาวพุทธเราว่าทําไมชอบสร้างชอบสร้างอาคารสถานที่ต่างๆแม้แต่พระสงฆ์เองนะฮะย่างนิยมอย่างชอบอย่างนําชาวบ้านในการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ เดิมทีเดียวสถานที่สําคัญสาคัญก็มีเศรษฐีมีพระราชามีพระสงฆ์สามกลุ่มนะฮะคนสามกลุ่มจะเป็นเป็นหัวหน้าในการก่อสร้างสร้างราคาแพงแพงแล้วก็ทุกศาสนามีลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นฐานสรุปเป็นทานสรุปที่เราให้เสนาสนะและชื่อวให้ทุกอยา่างก็เรียกว่าปุญญาพิสันธาเป็นที่หลังไหลมาของบุญ็นที่หลังไหลมาของบุญ แล้วก็มาจบลงในบทสุดท้ายที่ว่าผู้ใดให้ธรรมะชื่อว่าให้อมตะคือให้สิ่งที่ไม่ตายนะก็อย่างที่มีการท่องเป็นพุทธศาสนาประสิทธิทวัาสธรรนังธรรมนังชินาตินะฮะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและในประสูตรนั้นยังทรงแสดงผลที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบัน อั้แต่นี้มาเลยตั้งแต่รูปร่างกายเลยนะ COVID ตั้งแต่รูปร่างกายสุวรรณตาสุสราตาสุสันธานางสุรุปตาที่ปจังปริวารโอสบเมเตนลัตินีนก็ว่ามัเลยนสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามสุส ร, ร, รตามีเสียงไพเราะสุสันธานามีสวดส่งสมส่วนสุ ร, รูปตามีรูปงามอธิปจังเป็นใหญ่นะฮะความเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นลักษณะของคนที่มีบารมี ท่านท่านหลายลองสังเกตว่าคนบางคนแม่อายุมากแล้วเนี่ยมันไม่มีบาร ม, มีไม่เป็นที่เคารพนับถือบางคนท่้นหลายบางคนอายุน้อยๆเนี่ยจะเป็นคนมีบาร ม, มีนะเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั้งหลายนะอย่างประธานาธิบดีอเมริกาคนก่อนนะจอนเฟเคนเนดีนะเราเห็นว่าอายุก็น้อยมากเด็กมากสี่สิบต้นๆสี่เจ็ดอุยแต่ดังเราเบิดโลกเลย มันมีบรารมีมันมีความเคารพนะักศึกษามันมีตบะเดชะแล้วเป็นเรื่องของคนมีบุญนะฮะเอาว่าจริงไม่ได้เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่แต่ว่าคนเหล่า น, นั้นได้มีวาสนาบรารมีที่สร้างมาในเรื่องเหมี้ถึงไหมแต่ลงว่าตรงนี้เป็นการแสดงอานิสงส์ที่เราได้ในระดับต่างๆ แล้วก็ว่ามาเรื่อยนะฮะว่ามนเรื่อยจนถึงอุปนิสัยปัจจัยของมรรคนิพานตอนตอ น, ตอน ท, ท้ายก็พูดถึงคุณสมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมะระดับสูงคือมาเป็นพระญาบุคคลแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษกว่าคนอื่นเห็นได้วิชาสามได้อภิญญาหกได้ปฏิสัมภิทา4ีได้วิช า, 4, ชาแปดอะไรอะไรนั่นว่าไปเยอะเลยแต่ยันนั้นเกิดมาจากบุญยนิทิ เพราะนคำว่าบุญญาณิที่ตรงนี้จึงหมายถึงการเก็บการสะสมความดีเอาไว้ภายในจิตสันดานเป็นคุณธรรมที่พัฒนาจิตใจของเราให้กิเลสตจางๆบวมไปแลาลอาสังเกตว่าในกรณีของการให้ทานเนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะไม่ใช่เรื่องทำได้ไง่ายๆถ้าให้เป็นทานจริงๆ ให้เป็นทานจริงๆทานที่ถูกตรงตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้จริงมันจะต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลในการให้มองค่าเทียบเคียงมีความรู้สึกที่ดีต่อต่อคนที่เราให้เห็นไหมว่าเช่นสมมติเราจะถวายพระเนี่ยเราจะต้องมองเห็นว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควร ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นเราไม่ให้ก็สแสดงความรู้สึกต้องดียอมรับนับถือศรัทธาต่อสถานะของท่านไม่โกรธนะฮะถ้าเราโกรธเราก็ให้ไม่ได้เแม้กับคนีนเราไม่โกรธอาจจะรู้สึกเมตตาเคารพนับถืออาจจะรู้สึกศรัทธาิาจจรู้สึกเรื่อมใสก็แลแต่ รู้สึกเมตตารู้สึกรักอ่ะให้ได้ตรงนั้นนะ่พวกนี้ให้ได้ต้งนั้นพรานันพลังตรงนี้ยังเป็นพลังที่มหาศาลท่านหลายลองลองสังเกตว่ากลุ่มคนที่เขาให้ให้ได้มากคือหนึ่งรักรักนะสองศรัทธาสามพักดีรักศรัทธาพักดี เมตตากรุณานะฮะเมตตากรุณาก็ก็ก็คือก็คือรักนั่นเองคือสายเดียวกันคนเหลนี้คนสามารถจะให้ได้ยิ่งพลังของศรัทธาบางอย่างเนี่ยให้หมดเละละชีวิตตัวเองนะฮะไปเพชรบุรีเมื่อหลายปีที่แล้วในมิยมคนเดงเขาถวายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่วัด แล้วเอาเงินมาสร้างกุติไม้ศักอย่างดีเลยให้วะและตัวเองก็เป็นบวชเป็นชีปพขาวเป็นไม่ชีตัวเนว่ยวะก็ใส่อยู่อาศัยกินจนกว่าจะตายแต่เนทุกอย่างให้หมดน่าดูนะน่ากลัวแต่มางกรั้เป็ น, เ ป, นเป็นการแสดงถึงพลังศรัทธาของท่านถือว่าเป็นสมบัติที่ติดติดใจนะะที่จริงมันก็ทิ้งอยู่ไปเนี่ยแต่ใจเป็นปสมบัติทติดใจ มันเป็นเรื่องของปัญญาที่ใช้มองใช้มองไกลเห็นเหตุุผลในที่ตนได้รับทั้งในขณะนั้นขณะต่อต่อไปแล้วขนาดจนปเป็นเป็นเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบา ร, รมีธรรมในของที่เราจะให้เราต้องไม่สนิเราต้องไม่ห่วงเราต้องไม่โลภไม่เยตั ย, ยเห็นไหมว่าความรู้สึกสองอย่างนี้ถ้ายังมีอยู่ อย่างใดอย่างหนึ่งมีมีอยู่กันให้ไม่ได้คนเราจะจงรักพักดียังไงทธาอย่างไงรักอย่างไงเมตตากรุณาอย่างไงก็ตามแต่เราเสียดายของอะ่ะเห็นไหมเป็นการชักเย่อกัน ร, ระหว่างกิเลสประเภทโทสะกับกิเลสประเภทโลภะแสดงว่าปัญญาเองก็ไม่สามารถตัดได้ไม่สามารถตัดสินใจได้บางครั้งพระเจ้าจึงทรงสอนในแนวที่ รีบฉกสวยโอกาสเอาชนะให้ได้ตํานวนบาลีวัตุริตต์ต์รีตังสีขะสีตังเร็วๆด่วนๆเร่งๆรีบๆเมื่อกุศลนัเจตนาบังเกิดขึ้นภายในจิตปรารถนาที่จะทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบทำทันทีเดอย่าผัดวันประกันพุ่งเดียวก่อนพระก่อนรอไว้ก่อนบางชีนี่ซับตัวบัดอาจจะหายไปบางชีในกิเลสมังครอบงำได้บางชีเราตายซะก่อน มันมันมันเยอะไอ้บางทีที่จะเกิดที่ไหนเยอะเลยทำให้ไม่สมตามเกณฑจำนวนที่ตั้งใจเอาไว้ในกรณีเหล่านี้เราเห็นเราเห็นกลุ่มคนที่จำแนกด้วยกรรมได้ชัดเจนนะฮะกรรมกลุ่มคนสามสี่กลุ่มเนะ่ยกลุ่มแรกคือราชกุ ม, มารกินในศาสนาพระพุทธสาสมาสมุจเจ้าลักษณะนิสัยแปลก ถ้าคนอื่นเขาไม่เอาอย่างนั้นนะ่ะนะก็เอาอย่างอื่นเอายศชั้นตำแหน่งทรัพย์จริงคารอะไรอะไรต่รตรตางๆประชาชก็พร้อมที่จะบำเน็จความดีของเจ้าไม่เอาลยขอทำบุญขอทาบุญขอธนบรารุงพระซึ่งหมายความว่าถ้าท่านเอาตรงนั้นท่านก็ได้แค่ฐานยานีก็รักษาศีลห้านะครับจะถือว่าได้โอกาสแล้วก็คือบวชเลย ขอประพุทธพรมจันทร์ในแนวที่เข้าไปบวชเป็นคล้ายๆกับอะไระ่างชีพเขาชีพรามสีรจารินีอะไรแต่อะไรที่เขาบวชเแต่บวชนานานะสามเดือรักษาศีลให้ทานรักษาศีลฟงังธรรมปฏิบัติธรรมตามไปดูเล่นหลายอย่างใสามเดือนเป็นลักษณะของคนที่ปริบัติตัวเป็นคนตื่นตัว ถ้าจังหวดได้โอกาสที่จะสะสมความดีก็รีบเร่งเอาจะทรงสอนว่าเหมือนกน็เขานับเข้าไปสู่ขุมทรัพย์เขานำเข้าไปสู่ขุมทรัพย์ตรงรีบขุดรีบออาดีเอามาให้ได้น่าจะอะไรยิ่งดีเพราะท่านท่านเหล่านี้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติปฏิบัติชอบบันคักจัดกิเลสจางไปจะกิดถ้าลองสังเกตว่าความโลภมันจางไปนะความโกรธมันจางไปความหลงมันจางไป จนไม่พอใจติดใจในสังสารวัตมึงก็ฝึกภาอข้อกัตยาสายมาเลยจนมาถึงชาตินี้ปรากฏว่าไม่ยอมครองเรือไปลอเลยทิ้งทรัพสมบัติพวกพรามาสานะฮะพวกพวกพวกสกุลรวยมากจะทิ้งหมดไม่เอาเพียงแต่ว่าสมัยนั้นพระเจ้ายัางไม่เกิดขึ้นการมบบของท่านจึงหลงทาง ต้องทักไประยะหนึ่งแต่กว่าพระพุทธเจ้าจะปรดได้ก็ต้องก้างนานนะเพราะมันปักใจ อ, อ น, นันต์พระพุทธเจ้าเสียเวลาตรงนี้ย่งเยอะเลยเป็นเดือนน่ย น, นะไปขับเขี้ยก็บพระพุทธเจ้าค่าไปองค์เดียวเขาอยู่ตั้งห้าร้อยอ่ะข้าไปองค์เดียวแล้วก็หนุ่มกว่าเขาด้วยเด็กกว่าเขาเยอะตรงนี้มันหวดงอกแล้วแต่ในสุดพระพุทธเจ้าก็นํามาได้นามาเป็นลูกจิตได้เพราะอะไรเพราะเชื่อเขามีนะฮะเชื่อดีเนี่ยเขามี พูดจากันง่ายเข้าใจกันง่ายมาถึงกลุ่มพระเจ้าพิมพิสารพวกนี้ไปใหญนะ่ท่านจะเห็นว่าไปแต่ไม่ได้คิดไปไกลไม่ได้คิดไปไกลถึงจะเป็นพระอาจารแต่ระดับถิ่นธรรมจัน ญ, ญานั้นท่านมีพื้นฐานมาตั้งแตง่ต้นเขามอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้ราชมารทั้งหมดออกบทหมดเนีถ้าคนที่โลกจัดเ็นแก่ตัวและอาจจะยอกยอกกันไปก็คงมีเปลีนมากกว่านั้นแนะ่ แต่ปรากฏว่าที่เป็นเปรดน้อยกว่าที่ที่เป็นคนเพราะเป็นคนอยู่ในตำแหน่งก็ได้อิสระชนในตาแหน่งใหญ่ๆเป็นอมาตะเป็นมาหมาพราหมณเป็นหมาเศรษฐีตั้งแสนสองนะฮะแสนสองแสดงเป็นงานใหญ่มากทำบุญร่วมกันมา ก็คงจะนมวนาช่วยเหลือหลายเรื่องหลา ย, ลายสายนะฮะอาจจะเป็นอะไรแต่ส่งผักส่ง้าส่งเลือส่งข้าวสารใดแต่ใดเนี่ยฮคงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่มาทำกันตั้งแสนสองหรอกแต่ในถ้ำกลางบุญเนี่นะแต่มายังมองยังมองผ้าอย่างเวียเนี่ยมองสังฆทานาจจทีญาติโยมถวายมอนสงสา ร, ยารโยมซึยย่งด้านโยมจริงจริเนี่ย ไอ้ร้านเ่าเนี้ยมันหากินกับตาทำไมมาทำบาปจังเลยมันยัดไส้นะฮะโยมลองแก้ดูก็ได้ยัดไส้ทําไในกลวงนั่นนะฮะมันจัดสังฆทานยัดไส้กลวงข้างในบางทีมัม อ, อะไรวางฝังไว้แล้วก็ปิดจิตเข้าในกลวงผ้าในใช้ไม่ได้สมัยโบราณเรียกว่าไอ้ลวงนะก็พ <c oughs> <c oughs> ูดกันมาตั้งแต่หนังสือโบราณนะะแล้วพวกนี้หากินอยู่ได้ตลอดผู้สอสชิงชาหากินได้ตลอด จีวรสีเหลืองๆที่หุมพุ่มผ้าพลติกอ่ะว่างๆโยมซื้อมาแล้วแกะมาดูเต่ขายไม่ได้กับฝืนเดียวฮนระับขไม่ได้กับฝืนหนะึ่งเลยทั้งสั้นทั้งแคบทั้งบางทั้งหยาบพร้อมหมดเลยดูในผ้าผืนเดียวอยู่ก็บุญ น, นะเนี่ยโบราณก็บอกว่าอยากจะตกนรกให้เป็นสังกาลีเออเปลี่ยน <c oughs> ชื่อมาเลยอยู่ใกล้วัดเยนะ่ยฮะ อยู่ใกล้วัดอยู่กับวัดอยู่ก็พระจะทําไมมันมันมันมันไม่ใช่ใกล้ใกล้เกือกกินด่างยิ่งกว่าด่างหากินกับพระแต่ว่าจิตใจมันเป็นบาปก็ว้ากันซื่อๆนี่ก็บอกที่ราคาเท่าไรก็ว่าไปเล็กใหญ่ก็ตมามทำไมจะต้องไปอัดยัดไส้เยอะเลยกลวงเลยทาไมเนะี่ยนี่คือคือคือขาดความ กาดกจิตสำนึกที่เป็นบาปเพราะงั้นตรงตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก็คนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มที่เป็นญาติของพระเจ้าปิมมิสาในชาติก่อนสมัยเป็นพระพุทธสะสมัยกุฎาทรงปนามมกุฏสระไม่ขนาดที่ญาติดีเยอะทําทําความดีร่วมกันมาตั้งตั้งแสนสองเรลาถึงมาเองก็สละทรัพย์สมบัติไม่ใช่เล่น น, นะนะฮะสละทรัพย์สมบัติไม่ใช่เล่นแต่ตัวเองก็อุตส่าห์ยากยอก ยัดยอกแอบกินแอบขโมยแอบท่อนแอบปิดบังเอาไว้นะฮะของที่เขาเตรียมไปถวายพระกาลังเตรียมถวายพระหรือกลุ่มเนี้ยเขาเตรียมจะถวายพระยังไม่ได้ถวายนะใ น, ในแต่ละตอนเนี่ยเขาก็แอบกินอยูไไ่เรื่อยเป็นการตามใจตัวเองเป็นความขาดการควบคุมตัวเองแล้วก็รู้อับหน้าแก่หลวงที่บงังเดือจริงจริงระยะมันไม่ได้ห่างอะไรนักนะ ที่โบราณนัานทช้ค ม, มักง่ายเนี่ยฮะก็มักง่ายจริงๆมันมันง่ายไปแล้วก็ในที่สุดก็ประสบความลำบากเราจะเห็นในอทิทธิพลของกรรมที่สร้างลักษณะนิสัยของคนสามทีกลุ่มนะตามสี่กลุ่มให้แตกต่างกันออกไปมันมีพัฒนาเขอามันสายของราชกุ ม, มารขึ้นมาเป็นพระอรหรันต์เลยเห็นไหมฮะตอนปลายเนี่ยเป็นพระอรหันต์เลย สายของพระเจ้าพิมพิสารกลุ่มพระเจ้าพิมพิสารพี่พระเจ้าพิม พ, มส พ, มพมิสารเป็นหัวหน้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแสนหนึ่งมื น, นะฮะเป็นพระโสดาบันอีกหนึ่งมื่นเป็ น, ก, ะะนกัลยาณพุทุชนเป็นคนอยู่ในชีนในธรรมรักษาสีนหน้าตลอดชีิตพวกนี้ปิดประตูนรกได้คส่วนพวกเปรตในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยสังสารวัฏยาวนานเนี่ยประสบ ตกนรกแล้วก็จเปรตรอคอยพ้นบุญหิวโหยทุกทรมานนานได้กแต่ว่ากรรมมันหล่อเลี้ยงไว้เห็นไหมกมมรรมะปฏิสรนโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมมันเลี้ยงไว้พวกนี้ไม่ตายอ่เพราะกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้เป็นกรรมเป็นกรรมเนิรดเหมือนกับอะไรนะฮะท่านท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเหมือนก็ น, นอนในพริกอ่ะ มีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมปฏิเสธโนนะกรรมเป็นกรรเนิดเป็นกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้พริกร้อนจะตายมันไม่ตายนันอยู่ได้อยู่ได้มันกินพริกสบายหละแต่โยมลองจับหนอนในปลาไปใส่ในพริกดูอย่าลองนะฮะตายนะฮะที่เห็นไหมฮะกรรมมันไม่หล่อเนี้ยเพราะกำเนิดมันไม่เลยเป็นอย่างไงกรรมเลยไม่หล่อเนี้ยก็ ท่านเหล่านี้ผู้เจ้าก็มาแสดงสะท้อนภาพนะสะท้อนภาพตัวคนทั้งหมดให้ดูในในประสูนท์ที่จริงแล้วก็มายความสะท้อนพฤติกรรมของคนสี่กลุ่มนี้มาให้ดูพรความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนในขณะนั้นในช่วงสั้นๆใกล้ๆตรงนั้นก็ดีในช่วงสังสารวัตรตั้งแต่พระเจ้าผู้เจ้าสุนันผู้าัก็ดีมันอยู่ที่การแก้ทำ อยู่ที่มีบุญยนิชิขุมทรัพย์คือบุญมากหรือน้อยราจุมารทา ม, มากมันก็ทั้งก็ได้มากบรรุมรผลเป็นประหานดับทุกข์ดับกิเลสสิ้นเชิงพระ พ, พิมินสารกับบริวารรับใช้นะฮะเรียกววยาวัจจะใหม่วายาวัจวญญวจะใหม่เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองที่จริงเป็นของราจุมารพวกนี้เป็นแนววยาวจจะม่แใจมันบวก ใจบวกเข้าไปด้วยหมายความว่าชื่นชมในการกระทําความดีของเราตกุมารก็ทุ่มเทชีวิตกายใจของปยันที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าปญญายาสีกับอุตรมามนกพระเจ้าปญญายาสีนั้นเป็นเจ้าของทรัพย์จริงแต่ว่าขี่เหนี่ยวอุตรมามนกรับจัดการถวายทานให้แก่พระเจ้าปญญายาสีในนามพระเจ้าปญญายาสีเอาของดีของตัวผสมเข้าไปแล้วก็ตัวเองทาด้วยความศัดธา ผาเลื่อมใสพอตายไปมันเกิดจำแนกว่าพระเจ้าปายาสิเกิดในเสรษีสกา่าบมานว่างไม่มีอะไรอุตรามานกเกิดเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงกว่าทางๆ ท, ที่เราเป็นคนรับใช่นะฮะเป็นคนรับใช้เพราะว่าบุญตรงนี้มันมันมีเวียา์ประจํใหม่มันมีอาิใจใหม่มันมีอันมูปัตานมูปธนาใหม่มีมีอะไรที่เข้าไปเสิร์ฟเยอะเขาก็จำแนกแย่งแยกให้คนตรงนี้แตกต่างกัน เรามีการสืบทอดมาเป็นรูปของประเพณีการกวดน้ําของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนั้นก็ปรับรูปแบบการกวดน้ําได้มีมาก่อนนะฮะมีมาก่อนเราก็นํามาปฏิรูปเมื่อก่อนเนะี่ยท่านจะลงไปในแม่น้ําไปยืนอยู่ในน้ําแล้วก็วัดว่าน้ำขึ้นมากับมือแล้วก็ปล่อยแ ล, ะละ้วอธิษฐานอธิษฐานแม่น้ําไหลไป เพราะในบทเวลาพระอนุโมทนาขึ้นคำวิยะถานะยัถาวารีวหาปูราปริกูเรนติสาขลังเอวมเมว้โตตินั่งเปยสนังเวสกปติถิถ้าแปลเป็นเป็นใจความแล้วก็ไม่มีอะไรนะพวกน้ำที่เต็มย่อมทำ ม, มหาสมุทรสาครให้เต็มได้ชันใดท่ามที่ท่านริจากแล้วจากโลกนี้ย่อมถึงแก่ท่านผู้ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้น ขอความดำริทั้งปวงของของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนแก้วมณนีชื่อว่าโชติรสฉะนั้นเป็นคำอธิษฐานชื่ออธิษฐานให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะกวดน้ำตรงนี้พอถึงสภีติโยพระ อ, องค์ที่สองรับสภีติโยนยโยมต้องเทน้ำให้หมดแล้วนะฮะแล้วไม่ต้องไปล้างมือให้ก็กลัวหรอกบางทีก็ล้างมือจับก็เป็นแถวน่าเอ็นดูเฮ้ยทาอะไร ทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นขอให้พรนะฮแต่ปีดิโยวฉันโดสโรโกเนสตุพรอขอให้ทุกทุกโศกโรคภัยต่างๆกองท่านพหนาศไปเป็นการปฏิรูปความเชื่อที่มีอยู่ในสมัยนั้นเอาน้ำเข้ามาเกี่ยวน้าจะเป็นสัญลักษณ์ของใจนะใจสงบใจใสใจเย็นใจสบาย เป็นปฏิทานใหม่เห็นไะหมเพิ่มบุญอีกอย่างนึงเราเรียกว่าปฏิทานใหม่ทีนี้พวกเปรตตรงนั้นนะี่ยเขาอนุโทนามันไม่ใช่เราส่งบุญไปให้เขาเป็นดุดดุนนะนะะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชิ้นชิ้นเป็นกองกองอะไรแต่มันเกิดจากการอนุทนาเพราะฉนั้นบุญสมเร็จแก่เปรตที่ทรงใช้กรรมฐานนัสโสอุปกรัปรปติสัมเร็จตามสมควรแก่ฐานะ เพรอนุโมทนาในครั้งแรกก็ได้เป็นอายุวันนสุขาภลอนุโมทนาครั้งที่สองก็ได้เป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวเกิดเมตตาจิตในพระเจ้าพิมพิาสารเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้ามันก็กลายเป็นพลังทางจิตสถัทาวัยบังคมพระพุ ม, มีระพาคเจ้านะให้สีในพอพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ไปสู่สวงสวรรค์ จากเปรตเป็นเทพนะจาเปยตเป็นเทพแต่บุญกุศลก็คงมไม่มากเท่าไรเมื่อก็เหมือนกับบุญกุศลแบบคุณมาโกศกคือไม่นานเท่าไรแบบ ก, กังโกศกเศรษฐีในในในที่สุดท่านก็ต้องไปเพิ่มบุญเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มกุศลินตรงนี้เลยกลายเป็นประเพณีที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ แต่อย่างที่บอกว่ามันผสมผสานกับความเชื่อเดิมในท้องชินแล้วก็ธรรมเนียมต่างๆของพราหมณ์ผสมผสานกันหลักทางพุทธศาสนามีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้โดยเจตนารมณ์จริงๆเขาเรียกว่าเป็นทักษิณานุปาทานเป็นการเพิ่มส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บัญชชนเป็นการแสดงถึงไมตรีจิตมิตรภาพที่คนซึ่งอยู่ในภายหลัง จะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือผู้น้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วปตัตตาบนึกถึงคุณความดีของท่านเหล่านั้นแล้วก็อุทิศกุศลส่งไปให้ตามความเชื่อถือเป็นการเพิ่มภูนบุญส่วนตัวเองนะคนอื่นที่้อนโมทนาเขาก็ไม่ได้แย่งส่วนบุญของเรานะแต่จริงแล้วเขาได้จากการโมทนาเพียงเกี่ยงอาศัาาายการกระทําความดีของเราแล้วเราอุทิศกุศลส่งไปใ ห, ให้เราก็เป็นการเพิ่มบุญได้มากยิ่งขึ้น ที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าดายกาจะอนิพพราชยกไม่ได้ร้ายผลบุญเป็นนันมากตุมเพหีบุุอย่างปะสุตังอัปพะกังนะฮะบุญเป็นนันมากที่ท่านทั้งหลายไดกระทำแล้วในครั้งนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเปรตของเปรตที่เป็นพระญาตของพระเจ้าปิปิสารซึ่งนํามาสู่วันศาสตร์ตรีที่เป็นประเพณีไทยสมัยวันนี้ก็คอยุติไว้ในเวลาท่างๆ ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบูรณนธรรมต้องมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านคือ